บทแผ่ส่วนกุศลอีท้งเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มาดาบิดาของข้าพระเจ้าขอให้มาดาบิดาของข้าพระเจ้ามีความสุข อีทางเมยาทีนางโหตุสุขิตาโหุนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาทั้งหลายของขาพระเจ้าขอให้ญาทั้งหลายของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทางเมฆรุปัชย์าจริยานังหัวตุสุขิตาหุนตุฆาลปัชยยาจริยา ขอส่วนบุญ น, นี้จงสำเร็จแก่ครูปชาและอาจารย์ของข้าพระเจ้าขอให้ครูปชาและอาจารย์ของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทางสัพเพเทวทานังโหตุสุขิตาโหตุสัพเพเทวขอส่วนบุญ น, นี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพเปตานัโหตุสุขิตาโหตุสัพพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพเวรินังโหตุสุขิตาโหตุสัพพเวรี ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแ ก, เก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอีตั้งสามภาษิตานังโหตุสุขีทาโหตุสะเภสิตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแ ก, ก่สัตว์ทั้งหลาย ขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเถิด